เสียงอ่านหนังสือตามดูจิตพระโพธิญาณเถระหลวงปูชาสุภัทโทวัดนองป่าพงเทศนาอุปรมธรรมปฏิบัติเพื่อความเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เบื้องต้นจนถึงศีลก่อนจะเป็นขั้นสมาธิคือสมถะความสงบจิตจนถึงขั้นปัญญาคือวิปัสสนาการรู้เห็นตามเป็นจริงขั้นตอนและเทคนิคในการรู้ลมและการตามดูจิตเพื่อสาเร็จกิจ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอ่านโดยอริยคุณจมรงผลดีจะทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยพัทธรพรยานพัฒนาเมธาปรีชาันนริมิตรสุชยาันนริมิตรขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสภท า, านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ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 ซึ่งไม่มีโทษนั่นก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัพพะปาปัสะอักการนังกุสลาสุปสัมปทาสจิตตาปริโยธปนังเอตังพุทธานะศาสนังท่านว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนา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 เอตังพุท ธ, ธานาศาสนาอันนี้เป็นคำสอนของท่านหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเหมือนกันสัจจิตตาปริโยธาปนังการมาทำจิตใจของตนให้ผ่องใสขาวสะอาดเอตังพุท ธ, ธานาศาสนาอันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง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 นี่เป็นปัญญาที่เป็นโลกิยวิสัยซึ่งชาวโลกพากันเรียนอยู่ทั้งเมืองไทยจะไปเรียนนอกมาก็ตามมันก็คงอยู่ในสุดตมยปัญญาจินตามยะปัญญาเท่านั้นอันนี้เป็นโลกียวิสัยพ้นทุก์ไม่ได้พ้นทุกได้ยากหรือพ้นไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเมื่อรู้สีขาวสีเทาแล้วก็ไปยึดมั่นคือเกิดอุปาทานในสีขาวสีเทาอันนั้น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 แต่มาทำจิตคือภาวนาอย่างที่พวกเรามาฝึกกันอยู่ทุกวันนี้หรือเรียกว่าทำกรรมฐานที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านแยกประเภทส่วนแห่งการกระทำแยกข้อประพฤติปฏิบัติเรียกว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถวิปัสสนาเป็นแนวทางที่ให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้เป็นโลกราจิต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 ให้จิตของเรารู้เฉพาะลมที่มันเข้าหรือมันออกเรียกว่าการกาหนดลมเป็นอาณาปานสติการกาหนดลมนี้บางคนกําหนดไม่ได้การกาหนดลมเราจะต้องเอาสภาวะที่มันเป็นอยู่หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นเท่าไหร่อันนั้นไม่เป็นประมาณเป็นประมาณที่ว่ามันสบายอย่างไร หายใจแรงหรือมันค่อยหรือมันยาวหรือมันสั้นเราจะต้องทดลองหายใจดูมันถูกจริตที่ตรงไหนมันสบายอย่างไรลมไม่ขาดข้องจะกําหนดตามลมก็สบายสะดวกตัวอย่างเช่นเราฝึกเย็บผ้าด้วยจักเราก็ควรเอาจักรมาลองเอาเท้าเราถีบจักรเข้าถีบจักรเปล่ายังไม่ต้องเย็บผ้า ให้มันํำนาญเสก่อนเมื่อเท้าเราชำนานพอสมควรแล้วก็อเอาผ้ามาเย็บค่อยเอาผ้ามาใส่เย็บไปพิจารณาไปการกำหนดลมหายใจนี้ก็เหมือนกันก็หายใจเบาๆเสก่อนไม่ต้องกำหนดอะไรมันยาวมันสั้นมันหยาบมันละเอียดมันสบายอย่างไรอันนั้นเป็นจริตของเรา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 ไม่สดไม่สวยความรู้สึกนึกคิดมันค้นในเวลานั้นมันก็เกิดปัญญาคือวิปัสนาเป็นเหตุให้ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นออกได้เรียกว่าความรู้สึกอันนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นต้องพิจารณาเช่นนี้การทำกรรมฐาน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 ก็ดูความไม่สงบไปที่มันสงบนั้นมันก็เป็นเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนั้นที่มันไม่สงบมันก็เป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นมันสงบแล้วมันก็สงบไปถ้าไม่สงบก็ไม่สงบไปเราจะไปทุกเพราะมันไม่สงบไม่ได้เราจะไปดีใจเพราะจิตสงบมันก็ไม่ถูก เราจะไปเสียใจเพราะจิตมันไม่สงบ ก, ก็ไม่ถูกเหมือนกันเราจะไปทุกข์กับต้นไม้ได้หรือไปทุกข์กับแดดได้หรือไปทุกข์กับฝนได้หรือไปทุกข์กับอย่างอื่นได้หรือมันเป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วการภาวนาของพระโยคาวจร น, นั้นก็สบายแล้วเดินทางเรื่อยๆไปปฏิบัติไปทําธุระหน้าที่ของเราไป เลาพอสมควรเราก็ทําของเราไปส่วนมันจะได้จะถึงหรือมันสงบนั้นก็เป็นวาสนาบารมีของเราเหมือนกับชาวสวนปลูกต้นไม้หน้าที่ของเราใส่ปุ๋ยก็ใส่มันไปรดน้ําก็รดมันไปรักษ า, มาแมลงก็รักษามันไปเรื่องต้นไม้จะโตเร็วโตช้าไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของต้นไม้ ละปล่อยทั้งสองอย่างนี้รู้จักหน้าที่ของเรารู้จักหน้าที่ของต้นไม้มันถึงเป็นชาวสวนที่มีความสดชื่นดีชั้นใดผู้มีปัญญาผู้ที่ภาวนาในพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพอจิตคิดเช่นนี้ความพอดีมันตั้งขึ้นมาเองพอความพอดีมันตั้งขึ้นมาเองก็เลยเป็นปฏิปทา ปฏิปทาที่พอดีเกิดขึ้นมาความเหมาะสมมันก็เกิดขึ้นมาอารมณ์เหมาะสมมันก็เกิดขึ้นมาความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วเป็นสัมมาปฏิปทาปฏิบัติไม่ย่อนปฏิบัติไม่ตึงปฏิบัติไม่เร็วปฏิบัติไม่ช้าจิตใจปล่อยไปตามสภาวะของมันอันนั้นคือ ภาวนาสงบแล้วสบายแล้วความรู้สึกน้กคิดของเราไปมีอุปาทานมั่นหมายมันขึ้นเมื่อไรมันก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติท่านจึงให้ปล่อยวางเช่นว่าเราอยู่ด้วยกันหลายหลายคนนี้นะต่างบ้านต่างตระกูลต่างตำบล ต่างจังหวัดที่มารวมๆกันนี้ถ้าเรารู้คนในนี้ในศารานี้ก็สบายแล้วภาวนาเราก็สบายเรื่องคนนี้ก็ให้คนนี้เรื่องคนนั้นก็ให้คนนั้นให้คนละคนละคนไปเรื่อยๆไปเราก็สบายเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยไปไม่ต้องไปวิพากวิจัยเรื่องคนอื่นไม่ต้องไปวิพากวิจัยเรื่องนอกกายนอกใจเราแล้ว มันก็เกิดความสงบความสบายขึ้นมาเพราะความรู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นมาเราต้องการธรรมะไปทําไมต้องการธรรมะไปเพื่อรู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองถึงแม้มันจะจนถึงแม้มันจะรวยถึงแม้มันจะเป็นโรคถึงแม้มันจะปราศจากโรคจิตก็อยู่อย่างนั้นเองเช่นว่า วันหนึ่งตัวเรามันไม่สบายขึ้นมาจะเห็นชัดในจิตของเราว่ามันก็นึกกลัวตายกลัวมันจะไม่หายใจก็ไม่สบายเกิดขึ้นมาแล้วความไม่สบายเกิดขึ้นมาแล้วคือไม่อยากจะตายอยากให้มันหายอันนี้เห็นแง่เดียวตามธรรมชาติของมันแล้วถ้ามันเกิดป่วยขึ้นมาเกิดอาพาธขึ้นมาเราก็รู้ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตาย หายก็หายไม่หายก็ไม่หายถ้าเราคิดได้เช่นนี้มันเป็นธรรมเอาทั้งสองอย่างนั้นลหละหายก็เอาไม่หายก็เอามันเป็นก็เอามันตายก็เอามันอันนี้ถูกแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนนั่งฟังธรรมอยู่นี่มีกี่คนป่วยมาแล้วตายก็ตายหายก็หายมีกี่คนก็ไม่รู้ที่มันอยากจะหาย ไม่อยากจะตายอันนี้มันคิดผิดเพราะมันกลัวเพราะมันไม่เห็นธรรมมันจึงทุกข์ถ้าเห็นสังขารร่างกายแล้วไม่ว่ามันละ่ะหายก็หายตายก็ตายเอาทั้งสองอย่างไม่เอามันก็ต้องได้อะไรสักอย่างจนได้เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้รู้จักสังขารเช่นนี้ เราก็พ so <ra> ิจารณาตามสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่กรรมฐานมันตั้งขึ้นมาแล้วมันพ้นทุกอย่างนี้เองไม่ใช่ว่ามันไม่ตายไม่ใช่ว่ามันไม่เจ็บไม่ใช่ว่ามันไม่ไข้อันเรื่องเจ็บเรื่องไข้มันเป็นเรื่องของสังขารเป็นไปตามเรื่องของมันถึงกล่าวมันจะตายไม่อยากตายเท่าไรมันก็ตายถึงกล่าวมันจะหายไม่อยากจะให้หาย มันก็หายอันนี้มันไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราแล้วมันเป็นธุระหน้าที่ของสังขารถ้าเราภาวนาเห็นเช่นนี้จิตมีอารมณ์เห็นเช่นนี้ทุกขณะจิตก็ปล่อยวางสบายการภาวนานั้นไม่ใช่ว่านั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียว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 ทุกเป็นเราทุกเป็นของเรามันคิดเช่นนี้แต่ความเป็นจริงนี้สุขสักแต่ ว, ว่าสุขไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุกนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวคนที่รู้ทุกหรือรู้สุขนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราเห็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรจะเกาะเกิดสุขขึ้นมา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 ทุกวันนี้เราทุกคนนะ่ะไม่รู้จักกิเลสตัณหามีคนคนเดียวนั่นลหละที่มันหลอกตัวอยู่วันยังค่าดูสิเราเกิดมามีอะไรไหมก็คนคนเดียวนั่นลหละมันพาให้เราโหรอยู่ที่นี่ร้องไห้อยู่ที่นี่โศกเศร้าอยู่ที่นี่นวุ่นวายอยู่นี่แหละมันก็คือคนคนเดียวกันถ้าเราไม่พิจารณาไม่ตามดูแล้วยิ่งไม่รู้จักมัน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 มันก็เป็นของที่ลำบากซันิดหนึ่งเราอย่าไปน้อยใจมันอย่าไปตกใจมันมันก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละเพิ่งเข้าโรงเรียนจะให้เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้เขียนหนังสือให้มันสวยงามมันก็ไม่ได้อาศัยการฝึกอาศัยการกระทําอาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติแล้วมันก็เป็นไปการตั้งไว้ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ ให้เอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะคนอื่นให้สอนตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องพยายามสอนคนอื่นเดินไปก็ให้สอนตัวเองทั้งนั้นนั่งก็ให้สอนตัวเองได้ทุกอย่างให้มีในตัวของเราอยู่เสมอเรียกว่าสติสตินั่นแหละเป็นแม่บทของผู้เจริญกรรมาฐานสติอันนั้นเมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นปัญญาก็จะวิ่งมา ถ้าสติไม่มีปัญญาก็เลิกไม่มีฉะนั้นจงพากันตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาน้อยก็ช่างมันเวลาน้อยก็ยังเป็นอุปนิสัยยังเป็นปัจจัยอย่างอื่นจะหาเป็นที่พึ่งอย่างพุทธศาสนานี่ไม่มีมันจบอยู่ตรงนี้ไปไหนก็ไม่จบแต่พุทธศาสนาทำให้มันจบอยู่ตรงนี้ ถ้าเราไม่เห็นเดี๋ยวนี้ต่อไปก็ต้องเห็นถ้าเราพิจารณาเช่นนี้ต่อๆไปยังเป็นคนใหม่ประพฤติใหม่ปฏิบัติใหม่ก็ยังไม่เห็นก็เหมือนกับเราเป็นเด็กเรายังไม่เห็นสภาพของคนแก่ทาไมไม่เห็นละ่ะปันเราก็ยังดีอยู่ตาเราก็ยังดีอยู่หูเราก็ยังดีอยู่ร่างกายเราก็ยังดีอยู่ไม่รู้จักคนแก่ แต่ต่อไปเมื่อเราเป็นคนแก่เราจะรู้จักใครจะบอกสังขารมันจะบอกฟันมันจะโยกนี่แก่แล้วตามันจะไม่สว่างหูมันจะตึงสภาวะร่างกายมันจะเจ็บปวดไปหมดนี่คนแก่มันเป็นอย่างนี้ใครมาบอกสังขาร น, นี้บอกเองถ้าเราพิจารณาอยู่คือสัญชาตญาณมันมีอยู่ เช่นพวกปลวกหรือแม่พึ่งพึ่งใครไปสอนมันเมื่อมันทำรังมันมีลูกมันทำรังกันสวยๆถ้ามันแก่มันก็ออกไปเป็นรังใหม่ลูกๆพึ่งมันก็ไปทำรังกันใหม่ใครไปสอนมันมันทำรังกันสวยๆนกก็เหมือนกันตามป่านะโดยเฉพาะนกกระจาบนกกระจอกมันทำรังกันสวยๆใครไปบอกมัน เมื่อมันโตมันก็บินจากพ่อแม่มันไปมันก็ไปทำรังเหมือนพ่อแม่มันใครจะไปบอกมันลูกก็เหมือนกันใครจะไปบอกมันสัญชาตญาณมันมีมันทำของมันเองสัญชาตญาณอันนี้ที่มีอยู่ในใจของเรานี้เราก็ไม่รู้ตัวเราถ้าเราไม่มาเรียนรู้ธรรมะก็ไม่รู้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ความเป็นจริงคนทุกๆคนมันอยากจะมีความสุขและมันอยากจะดีทุกๆคนนั่นแหละแต่มันทำดีไม่เหมือนกันมันตามหาความสุขไม่เหมือนกันมันต่างกันเพราะปัญญาสัญชาตญาณที่มีอยู่ในใจเรานั้นเราไม่รู้จักมันมันปกปิดอย่างสนิทอย่างชนิดไม่รู้ไม่เห็นเมื่อธรรมะชี้ไปมันจึงจะเห็น เช่นว่าเรานั่งอยู่นี่ร่างกายของเราทุกส่วนนี่โดยสภาพแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีชิ้นไม่มีอะไรมันจะสวยมันจะสะอาดเลยท่านตรัสอย่างนี้ไม่สวยไม่สะอาดและไม่เป็นแก่นเป็นสารด้วยเราก็ยังไม่เห็นเรานึกว่าอันนี้มันสวยอยู่อันนี้มันสะอาดอยู่อันนี้มันดีอยู่ทาไมมันเป็นอย่างนั้นเล่าของไม่สวยแต่มันเห็นว่าสวย ของไม่สะอาดทำไมมันเห็นว่าสะอาดของไม่เป็นแก่นสารทำไมเห็นว่าเป็นแก่นสารของนี้ไม่ใช่ตัวของเราทำไมจึงเข้าใจว่าเป็นตัวของเราอันนี้มันก็มือดออยู่พอแล้วมันน่าจะเห็นนี่ธรรมชาติอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราจริงจริงมันจะเจ็บจะไข้เมื่อไหร่ก็เจ็บก็ไข้มันจะตายเมื่อไหร่มันก็ตาย มันมีห่วงเราทั้งนั้นแหละอันนี้เราก็ยังไม่เห็นมันมันน่าจะเห็นทำไมไม่เห็นละ่ะนี่มันก็มืดพออยู่แล้วที่มันไม่เห็นเนี่ยนะองค์สมเด็จพระสาัมมาสาัมพุทธเจ้าของเราได้แยกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกมาจนจิตของท่านเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจริงๆชัดๆ ไม่ใช่สัญญาหรือความจำสังขารร่างกายมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันท่านเห็นเช่นนั้นการกำหนดพิจรารณาเรียกภาวนาคือวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้มันเห็นขนาดนั้นมันยังไม่ค่อยจะเห็นอันใดมันไม่สวยก็เห็นว่าสวย อันใดมันไม่เป็นแก่นเป็นสารมันก็เห็นว่าเป็นแก่นเป็นสารนี่จิตมันไม่ยอมมันจึงไม่เห็นท่านก็ว่ายาวคือจิตมันเป็นเด็กอยู่จิตมันยังยาวอยู่จิตมันยังไม่เติบจิตมันยังไม่โตเช่นนั้นพระพุทธศาสนานี้ท่านสอนส่วนจิตให้จิตเป็นคนเห็นถ้าจิตมันเห็นแล้วจิตมันรู้ของมันเองไม่ต้องเป็นห่วง เรียกว่าภาวนาเป็นฉะนั้นจึงค่อยๆทำค่อยๆประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะเอาวันสองวันสามวันให้ได้ให้เห็นเมื่อวานซืนที่มีนักศึกษาได้มาปรึกษาจะไป น, นั่งภาวนากรรมฐานนั่งสมาธิมันไม่สบายมันไม่สงบมาหาหลวงพ่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ไม่ได้หรือ นี่อันนี้มันต้องพากันพยายามพยายามทากันไปเรื่อยๆคนอื่นบอกมันไม่รู้จักมันจะต้องไปพบด้วยตนเองไม่ต้องเอาทีละมากหรอกเอาน้น้อยแต่เอาทุกวันนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็เดินจงกรมทุกวันมันจะมากหรือน้อยเราก็ทําทุกๆวันแล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็ดูจิตของตัวเองตลอดเวลา เมื่อดูจิตของตัวเองอะไรมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะสุขหรือมันจะทุกข์อะไรเหล่านี้ <c oughs> ก็บอกปัดปฏิเสธมันเสียว่าเป็นของไม่แน่นอนเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นผู้ที่เรียนศึกษามากๆนั้นนะ่ะมันเป็นด้วยสัญญาไม่ใช่ปัญญาสัญญาเป็นความจําปัญญาเป็นความรู้เท่าทันมันไม่เหมือนกันมันต่างกัน บางคนจำสัญญาเป็นปัญญาถ้าปัญญาแล้วไม่สุบกับใครไม่ทุกข์กับใครไม่เดือดร้อนกับใครไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับจิตที่มันสงบหรือไม่สงบถ้าสัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น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 ขัดคําขยายในบางครั้งความต่างของวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิภาคหรือแม้แต่ยุคสมัยที่ต่างกันคาเดียวกันก็อาจแปลต่างกันได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นคําว่าจิตกับใจตามปกติก็หมายถึงสิ่งเดียวกันแต่ครูบาอาจารย์บางท่านอาจแยกต่างกันเช่นจิตหมายถึงจิตสานึกใจหมายถึงจิตไร้สานึกโดยที่ตามปกติ ศาสต์วิชาการท่านแยกจิตสองประเภทนี้ด้วยสั์ที่แน่นอนไปเลยว่าวิถีจิตกับผวังขจิตหรือบางครั้งท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบด้วยภาษาที่ต่างกันแต่ในความหมายเชิงลึกแล้วคือหมายถึงสิ่งเดียวกันและยังมีคำตามบาลีเดิมที่แปลได้หลายอย่างที่อาจทำให้คนมาใหม่สับสนได้ง่ายเช่นคาว่าสังขารที่อยู่ต่างประโยคอาจแปลไปคนละอย่าง